บุกทูห้าสิบเจ็ดพบหมออูด็อกตาร์ดิฉันมีนัดกับคุณหมอยาจะพิส น, นาณาปริยมดาด็อกตาร์ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา ยา записана на прием на десятую г д и н у คุณชื่ออะไรคะ Yakovzvad k a r u n านั่งรอในห้อง Kalilaska ปนั่งด п р и м นคุณหมอกำลังเดินทางมา Doctor k u t k a p r i d e คุณมีประกันกับบริษัทไหน ดีบริษัทระคับนัยดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมคุณมีอาการปวดไหมคะเจ็บตรงไหนคะดิฉันปวดหลังเป็นประจำ อูเมียญีเบื่อสิรับผินปวดที่ลดิฉันปวดหัวบ่อย у м я н ียญชันียปดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งอ мяне ช้าสมบัทชถอดเสื้อออกค่ะนอนบนเตียงตรวจค่ะ คคลลักุชตคความดันโลหิตปกติความดันโลหิตปกติคดัิฉกดันจะฉิตาดันหิคาให้ความดันโลหิตาดันโิคดันหิตาันห้ยควาดันความตปกตดัลิตกิดันดิฉันจะเขียันใบาสาั่งยหคาให้ปคุณไปซื้อทา่ร้นานขายยา Я выпишу вам аптечный рецепт.